นั่งสมาธิพิจนารณาในอารมณ์หรือจิตเนะี่ยเพราะวะะ่าปกติจิตของเรามันก็สงบแต่เราก็มีสิ่งที่เราจะรับรู้อารมณ์นี่แหละตาก็ดีหูจมูกลิ้นกายก็รับรู้อารมณ์ส่งไปที่ใจแใจนี้ก็ยังมีอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจเนี่ว่าธรรมารมณ์มอีกบางทีแล้ว เราไม่ได้เห็นรูปฟองเสียงจมูกดมกลิ่นเลี้นงสัมรัสกายต้อ ง, อ ง, องมโนธรรมะแต่เราก็มีอารมณ์ที่ใจขึ้นมาอย่างเรานั่งตอนนี้ราหลับตานะเสียงก็น้อยเราจะรู้อารมณ์ที่ใจเราจะอยู่กับพุทธโธเป็นอารมณ์ของใจเป็นฝ่ายกุศลแต่ใจของเราก็มีอารมณ์ที่คิดนึกปรุงแต่งไปอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจเราก็ต้องมาควบคุม ด้วความมีสติหรือว่ารู้ว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ต้องกระดับไปนี่เป็นวิปัสสนาวิปัสสนานี่บางทีแล้วอ่อนเกินไปมันก็ไม่ได้ใจก็ฟุ้งซ่านไปเราต้องกลับมาทํารู้รู้ลมหายใจหรือบริกรรมพุทโธให้สงบมาสงบแล้วก็พิจารณาในอารมณ์ที่เราได้รับเห็นความเกิดดับแลอพิจารณา ความคิดนึกปรุงแต่งให้เกิดดับอย่างนี้เป็นต้นนะ่าต้องทำสลับกันไปบางครั้งเราไปพิจารณาอย่างเดียวเออแต่ว่ากำลังสมาธิไม่มีมก็ฟุ้งซ่านนะส่วนใหญ่ที่จะติดสมาธิติดในความสงบน้ำกันน้อยนัสมาธิที่เราภาวนาจะสงบลึกไประน้อยละแต่มากเราจะพิจารณาเห็นว่าเป็นเกิดปัญญาหรือเป็นวิปัสสนา เพราะว่าเราก็ได้ยินว่าออถ้าเกิดว่าภาวนาพุทโธเป็นสมถะต้องกำหนดพิจารณาความเกิดดับเป็นวิปัสสนาอันนี้ก็จริงแถลงความเกิดดับก็คืออารมณ์ของอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอารมณ์แล้วจะเป็นปัญญาแต่ว่าถ้าเกิดความสงบไม่มีปัญญานั้นก็ไม่ชัดมันอาศัยกันไปอย่างนี้ถ้าจิตมีความสงบตั้งมั่นดี แล้วก็พิจารณานะวัตถุสิ่งของก็ดีร่างกายคนสัตว์ก็ดีให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปัญญาจะเกิดให้เห็นชัดต้องอาศัยกันว่าจิตต้องสงบแล้วก็มาติดในความสงบแล้วก็พิจารณาให้เกิดปัญญาแต่พิจารณาอย่างเดียวแล้วความสงบไม่มีมันก็จะฟุ้งซ่านต้องเกิดความพอดีนั่นเองอะ เป็นศีลธรรมธิแล้ก็เป็นปัญญาอย่างเงี้ยนําบุนเวียนรวมกันเข้ามาแล้วก็เป็นมรรคสมังคีเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นให้เราก็พยายามนะมีเวลาอาย่างที่เราจะไปรับประทานอาหารก็มีสติเราพู ด, ดน้อยเราก็ภาวนาไดอีกครึ่งชั่วโมงเราไปตักอาหารเราก็มีสติเราก็ได้ภาวนาด้ว ย, าา ร, ววยรับประทานอาหารอยู่ก็มีสตินะอย่างนี้เป็นตน้น อักติก็จะมีความรู้ความฉลาดมีปัญญามีศีลไปในตัวอย่างนี้วันหนึ่งเราก็ต้องหาอากาสมีทิ่พักของใจมีการสวดมนต์นั่งสมาธิที่บ้านของเราทุกวันเราต้องถือว่าเป็นงานที่สำคัญในชีวิตนี้เลยนะถ้าร่างกายของเรามาเจ็บป่วยไปโรคเราก็รู้จักต้องหายามรักษาไปหาหมอหาย า, าแต่ใจที่มันเจ็บป่วยด้ยโรค ความโลภความเกลีดความหลงลก็เหมือนกันโลกที่นํามาทํำลายจิตใจของเราหรือก็เป็นทุกข์อยู่เรื่อยเราก็ต้องเข้าหาพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนของท่านพระสงฆ์สาวกของท่านในชีนะตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะได้เกิดความเพียรพยายามก็เกิดศรัทธาเกิดความเพียรเกิดความตั้งใจที่จะภาวนาในึกถึงความตายมาหนึ่งและหลายครั้ง พระอนนี้เป็นพระรยาบุคคลย่างระลึกถึงความตายวันละเจ็ดครั้งนะเอเรา ล, ลองที่เราระลึกถึงความตายเนี่ยวันละกี่ครั้งอืเราต้องระลึกไม่ใช่ระลึกถึงเพีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างเดียวเนี่ยเห็นไหมเราเป็นเด็กเ ก, เกิดนึก่ะเป็นคนโตคนผู้ใหญ่ทําการงานนี้แล้วก็จะเจริญขึ้นไปแต่ว่าสังขาร น, นี่มเสื่อมไปเสื่อมไปล่ะเออบางทีคนที่มี ยทศท้ามดาสักล่ารวยก็ตายเพราะว่าชีวิตนี่เราจะอะไรมาซื้อได้เลยไม่ได้นะเราจะมีเงินน้อยล้าน200ล้านห้าล้านจะมาเอาแขนของเราไปมาเอาชีวิตของเราไปนะเอาชีวิตของเราคืนมาเนะี่ยเรายอมเสียเงินอย่างเงี้ยเราก็จะยอมได้แต่นี่มันซื้ออะไรกันไม่ได้ล่ะเพราะว่าเป็นสัจจะทําความเป็นจริงคือรูปไม่เที่ยงนะนามไม่เที่ยง ความตายเป็นของเที่ยงให้เราคิดถึงความตายในชีวิตไม่แน่นอนความตายนี่เป็นของเที่ยงของแน่นอนของแน่นอนก็มีอยู่นะคืออะไรที่มันไม่แน่นอนนี่แหละเป็นริจังทุกขังอนตตายมันแน่นอนที่จะเป็นอย่างนั้นในชีวิตนี้เนี่นีมันแน่นอนที่จะต้องตายชีวิตนี้ไม่เที่ยงที่จะอยู่ตลอดไปแต่แน่นอนว่ามันต้องตายเป็นความเที่ยงเหมือนกันนะมีความเที่ยงมันมีอยู่นี ต้องตายแน่นอนนี่นแหละอง น, นี้ตอนเราต้องคิดพิจารณาในชีวิตในวัยของเราอย่างนี้อยู่เสมอว่ามันสั้นลงสั้นลงไปเรื่อยๆนะให้ตั้งใจเจริพัส